ทำร่วมใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันวกแปกไปทางอื่นให้บำเพ็ญตนเป็นอุชุ ป, ปฏิบติแปลว่าผู้ปฏิบัติตรงคำว่าปฏิบัติตรง ในทีน่นี้หมายเอาความปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินยัยไม่ไม่ไม่หมายเอาอย่างอื่นตรงต่อมาต่อผลอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ปฏิบัติหวังว่า จะให้ไปไปเกิดเป็นเทบุเทเวดาอินพรหมหรือไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้รู้รับอยู่ในดินทินอยู่ในน้ำเรียกว่ารูเลขานาทีอย่างที่คนทุกวันนี้นิยม เล่นการพนันกันเกี่ยวกับการทำนายหางเลขสดตรีรางวันที่หนึ่งหมู่นั้นถ้าผู้ใดภาวนามุง่งให้เกิดความรู้ความเห็นอย่างนั้นเป็นอันว่าปฏิบัติไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็จึงต้องเรียนรู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนจึงจะไม่ผิดทางแต่บางคนเรียนรู้แล้วไม่ยอมดำเนินตามก็มีเฉออกนอกทางไปก็มี นั่นโมรีน่ะว่าควรศึกษาให้เข้าใจไว้ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นเรื่องรุงร่งยากจนไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ตรงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่เหลือวิสัย ถ้ามันเหลือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแนะนำสั่งสอนเลยมีพระ อ, องค์ทรงรู้แจ้งแล้วว่าบุคคลสามารถปฏิบัติให้ตรงไปตามได้ถ้าเมื่อมีศรัทธาแรงกล้าเข้าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อ เมื่อเชื่อมั่นว่าทำอย่างนี้แหละจะพ้นทุกไปได้อย่างก็ต้องตั้งใจทําลงไปจริงๆนไงแต่ก่อนนั้นแหละการที่บุคคลจะคิดอยากพ้นทุกนี่มันไม่ใช่ง่ายนะถ้าไม่มีบุญบารมีแต่หนหลังมาหนุนส่งเช่นนี้มันจะไม่คิดหรอก ถ้ามันถ้าคิดก็คิดเพียงแค่ว่าทำมันอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความยากจนขนแคงเงินทองเข้าของนี้เท่านั้นแหละที่มันจะคิดให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นว่าทาอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏฏตสรตรงสารอันนี้ได้หนอ อันซึ่งจะมีความคิดอย่างนี้นั่นรู้จะมีน้อยเต็มทีเนี่ยจึงว่ามันความคิดแต่มันไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านะั้นพระองค์ทรงสอนให้คนเราดำริให้มันตรงไปสู่ความพ้นทุกข์เราทำบุญกุศล อ, อะไรทำความดีอะไรก็ อธิษฐานในใจด้วยอำนาจแห่งความดีคือบุญกุศลที่ข้าพเจ้าไดก้กระทำนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารอันนี้ถ้าผู้ใดอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้ะก็บุญกุศลมันก็จะโดนบันดาลให้มีความคิดเห็นถูกทางไปจะดำเนินไปตามทางที่ถูกต้อง น, นเพราะว่าทางพ้นทุกข์มันก็อยู่ที่ใจนั่นเองเนี่ย <c oughs> เมื่อใจมีความเห็นถูกต้องนั่นแหละก็คือว่าใจนั่นเบิกทางให้ตัวเองดำเนินไปไม่ใช่ว่าใครมาเบิกทางให้เราเดินไปไม่ใช่ตัวเองนีลยเบิกทางให้ตนเองเดิน ตัวเองมองเห็นทางตรงไปได้โดยตนเองแล้วก็เดินไปตามทางนั้นโดยไม่ต้องลังเลสงสัยนี่าทางใดเนองมันจะไปตรงเหมือนอย่างการทำใจสงบระงับนี่นี่เป็นทางตรงเลยทีเดียววะนี่ ดังนั้นทุกคนต้องพยายามถ้าใจไม่สงบแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่มีอุบายที่จะมาสอนใจในี้ให้ละความยึดความถือต่างๆในโลกนี้ได้ดังนั้นรพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราภาวนาเ น, นี่ยในเจริญสมาธิ ทำใจให้แน่วแน่ในบุญในคุณอันสมาธินี่นะเอาไปใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมใช้ได้หมดเลยบุคคลผู้มีใจเป็นสมาธิใจนแน่วแน่ลงไปแล้วมันก็รู้ว่าทางดำเนินชีวิตทางนี้เป็นทางผิด เช่นอย่างว่าการบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไปคบหาสมาคมกับคนชั่วนี่ก็รู้ว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมของชีวิตแต่ถ้าผู้มีใจไม่ตั้งมั่นถูกตันหามครอบงาแล้วมันม อ, มองไม่เห็นนะ นั่นไงเนมื่อมองไม่เห็นเราก็ไปได้คบคนเช่นใดก็เป็นนักเลงกับคนเช่นนั้นแลไปไปคบกับคนที่เป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายก็กลายเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงผู้ชายไปตามเขานั่นแหละอแต่ไปคบคนที่เป็นนักเลงเล่า อี่านี้นมันก็กลายเป็นนักเลงเล่าไปตามเขาอืถ้าไปคบกับนักเลงเล่นการพนันมันก็กลายเป็นนักเลงเล่นการพนันไปตามเขาเนี่ยได้ชื่อว่าไปคบคนไปคบคนไม่ดีเหล่านี้แล้วตัวเองก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปนั่นแสดงว่า ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจนี่ปล่อยใจให้ตันหามันจูงไปตามประสงค์ของมันเหตุด้านใจนี้มันจึงได้ตกต่ำลงไปแบบ น, นี้จึงได้ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไป <c oughs> นี่โทษแห่งความไม่นั่งสมาธิภาวนาเกียดคล้านเอาแต่หลับแต่นอน อย่างนี้นะแล้วก็คนส่วนมากมักเกียตีตอนตายก่อนไข่เลยเออเรานี่มันไม่มีบุญมากหรอกอภาวนาไปไกลอย่างนั้นแหละอใจก็ไม่สงบได้มีแต่คิดอยากได้อะไรต้ออะไรมันระงับใจไม่ลงแล้วไม่ทราบจะภาวนาไปทําไมมันไม่มันไม่ได้ ประโยชน์อะไรคิดไปอย่างนั้นนะเข้าใจไปอย่างนั้นแล้วก็ละเลยเลยอ่ะไม่นั่งสมาธิภาวนาเลยนั่นเรียกว่าเป็นความเข้าใจไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแหละก็พระพุทธเจ้านั้นทรงสอนคนนั้นนะ ก็ทรงสอนคนที่มีใจฟุ้งซ่านใจไม่เลื่อนลอยเอ่ใจเลื่อนลอยนั่นเองเนี่ยให้ทําสมาธิภาวนาก็ผู้ใดมีใจแน่วแน่ยอยู่แล้วพระองค์ก็ไปสอนทําไมละ่ะก็มีใจตั้งมั่นลงไปอยู่แล้วนี้น่แต่ว่าคนส่วนหลายมีใจไม่ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณงามความดี มักจะเป็นคนใจลอยไปตามพิเลตตัญหาสูนมากเพราะขี้านประกอบความเพียรอย่างว่านั่นแหละบางคนก็ไม่รู้จักกรร ม, มวิธีไม่ทราบจะทำอย่างไรที่ไม่รู้ก็เพราะไม่ได้ฟังทำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจไปฟังทเมื่อ มีใครมาชักชวนไปฟังเทศในวัดวาอารามหรือว่าในสถานที่พระท่านพักอยู่เช่นนี้ไม่เอาแล้วหาทางหลีกเลี่ยงหาอุปสรรคทันทีื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะได้ความรู้ความฉลาดในธรรมปฏิบัติอย่างไรแล้วทุกคนให้พากันพิจารณาให้เห็น อันนี้สงแห่งการทำใจสงบระงรับนี่นับว่าเป็นทางพ้นทุกสายตรงเลยทีเดียวไม่ใช่นั้นแล้วก็พ้นทุกไปได้จริงๆเนี่ยคนใจลอยนี่ทำความดีอะไรก็ไม่ได้เมือ่อมีแต่หมุนไปทำความชั่วนั่นแหละมากกว่าทำความดีคนใจลอย เช่นอย่างว่าถ้าหากว่าคนเกิดมาแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็ดีก็เมื่อใจลอยแล้วเอาแต่เล่นกับกินนะเอาพ่อเอาแม่เป็นทาสพ่อแม่หามาไว้แล้วเอาขึ้นเรือนมามากินกินแล้วลงเรือนไปเที่ยวหาความสนุกสนานอตามภาษาของคนหนุ่มคนใจลอย อย่างนี้ทำให้พ่อแม่หนัก อ, อกหนักใจเหลือล้นมีโยรูปคนในโลกอันนี้นะมีเป็นจำนวนมากทีเดียวดันพ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวเข้าไปรุนแรงออก็โกรธทำร้ายพ่อแม่เข้าไปก็มีบางรายถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายไปก็มีอันจิตใจนี้ถ้าหากว่ามันตั้งไว้ผิดหรือไม่ได้ฝึกผลอบรมแล้ว มันร้ายกาจยิ่งกว่าสัตว์ที่ดุร้ายในโลกนี้สัตว์ที่ดุร้ายในโลกนี้บางทีมันมันจะไม่ทำลายพ่อแม่มเลยแต่มนุษย์เรานี่สามารถทำลายพ่อแม่ได้อย่าว่าจะพ่อแม่เลยแต่พระพุทธเจ้าเนะ่ยมันยังคิดทำลายแต่ครั้ง เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่นะั้นเนี่ยใจใจที่ไม่ได้ฝึกขนอบรมนะให้พากันพิจารณาดูให้ดีแล้วทำไมจึงว่าตนนั้นไม่มีความสามารถที่จะฝึกขนจิตนี้ได้ก็เมื่อตอนไม่ฝึกขนจิตตนนะตนจะมีความสุขมาแต่ไหน คำว่ารักตนนั่นนะรักแบบไหนกันบัดนี้นั่นน่ยเกิดคำว่ารักตนนั้นก็ต้องการอยากให้ตนมีความสุขไม่ใช่เลยแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนบัดนี้แน่แลนนหละคนส่วนใหญ่มักจะเห็นไปว่าอ้าวมีเงินมากๆนั่นแหละมีความสุขออถ้าคนเราไม่มีเงินแล้วมันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละ จริงอยู่อันนั้นก็ไม่ปฏิเสธหรอกแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวหนึ่งมบบนี้การมีเงินมากๆนั่นนะถ้าบุคคลไม่มีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ไม่มีทางในจะไปสะสมเงินทองได้มากๆนะหาไปจนวันตายมันก็ไม่ร่ำรวยเลย เนี่ยมันไม่ไม่ไม่ได้ทบทวนดูเหตุปัจจัยของความร่ำรวยมันมายังไงอ่ะนี่เมื่อตอนมีไม่ไม่มีบุญแล้วอย่างนี้ไม่สามารถที่จะหาเงินทองเข้าของได้โดยทางสุจริตมันนี่ก็หาเอาในทางสุจริตอ่ะไปจี้ไปปล้นเขาเอาหลอกลวงชอบโกงเอา ก็ถูกจับไปฟ้องร้องติดคุกติดตารางอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตราะะตรธรรมทั่วได้ทั่วแล้วเลยกลายเป็นคนทั่วคนมีชีวิตตกอับเหมือนพระจันทร์ในข้างแรมไปเลยหาความเจริญรุ่งเ ร, องเรืองใส่ตนไม่ได้แล้วนี่แหละคนไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจนะยึงเข้าใจ ดังนั้นการฝึกใจให้สงบนี่มันก็ไม่เหลือวิสัยถ้ามันเหลือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่สั่งสอนแต่ว่าเราต้องมีคุณธรรมประกอบในใจใจมันจึงมีกําลังคุณธรรมก็คือความเชื่อเชื่อว่าเมื่อเราฝึกฝนจิตใจนี่ให้สงบระงับ จากีิเลดป่าประธรรมไปแล้นี่เราจะมีความสุขยอดเยี่ยมจริงๆเมื่อมีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็ต้องมีความภาคเพียนพยายามเพียนทาใจที่มันพุ่งซ่านเลื่อนลอยนะให้มันค่อยสงบลงด้วยการกําหนดเทงลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปบริกรรม กรรมฐานอย่างอื่นใดเลยคนใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเนะี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้กําหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ยจะทําให้ใจมันหยุดคิดอมันหยุดนึกฟุ้งซ่านอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงได้ไม่นะเฮี้ยนไปไม่ท้อไม่ถอยนะเนี่นอนและ ใจต้องสงบรงวันหนึ่งให้ได้อาศัยความเพียรความพยายามไม่ทอ้อไม่ถอยแต่ก็ต้องรู้จักว่าคำว่าจิตคืออะไรก็คือสภาพแห่งความรู้นั่นแหละให้ใจเข้าก็ไปกำหนดรู้ที่รู้นั้นให้ใจออกก็กำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างนี้เนะย พยายามเอาความรู้น่นเป็นหลักเลยไปเดียวถ้าผูใ้ใดเข้าใจแน่ๆได้อย่างนี้แล้วทำลงไปตามนี้แล้วไม่มีผิดหวังวใจสงบแน่ น, นอนทีเดียวเป็ น, น, นไม่สงบไม่นานก็เรียกว่าสงบลงพอรู้รสชาติแห่งความสงบได้พอเมื่อใจสงบลงไปแล้วมันสบายนี่ ใครจะไม่อยากทํำล่ะวันนี้เมื่อมันได้รับความสบายแล้วนนมันก็ขยันทําแล้วถ้าถ้าไม่ทําสมาธิภาวนาใจคุ้งซ่านเลื่ อ, อยมันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะแต่เมื่อมันมองเห็นเทียบกันได้อย่างนี้มันก็พอใจนั่งสมาธิภาวนาเลยเราก็ยังพิจารณาเห็นไปอีกว่า ก็เมื่อเราไม่ฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นต่อความดีแล้วเดี๋ยวใจนี่มันก็หมุนไปทางชั่วก็นำตัวให้ไปสู่ทุกข์ของเก่านั้นเลยเนี่ยก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ขอใจนั่งสมาธิภาวนาที่แล้วจะไปทำนิที่เตียนตนว่าตนมีบุญน้อยอตอนว่ามีความสามารถ อย่างนั้นคนเช่นนั้นเรียกว่าไปตำหนิตีเตียนตัวเองเหยียดหยามตัวเองให้ต่ำลงไปไม่พยายามยกตนให้สูงขึ้นอย่างนี้ถ้าจะว่ารักตนอย่างไรแล้วนั่นผู้รักตนมันก็ต้องดูใจตัวเองนี่เพราะว่าทั้งกายทั้งใจนี่ ก็มันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธา น, นก็ต้องรู้ทินั่นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอาก็ต้องอบรมจิตนี่แหละฝึกขนจิตนี้เข้าไปพรารู้ว่าเมื่อฝึกขนจิตนี้ให้ดีแล้วกายก็ต้องดีวาจาก็ต้องดีทามาหาเรื่องชีพอะไรก็ได้คล่องแคล่วดีเมื่อมีปัญญาแล้วและก็ละความชั่วได้ด้วย ระเหตุแห่งความทุกข์เคยตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้บุคคลผู้มีจิตใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่จะไปละตัณหาอันเป็นเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์นี้ไม่ได้เลยนี่ก็ต้องรู้อย่างนี้แนหะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาต้องรู้เหตุรู้ผลเมื่อรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้แล้วมันก็พอใจลงมือปฏิบัติ ไม่ท้อไม่ถอยเลยแล้วก็รู้ว่าถ้าตนถอยหลังแล้วตนก็ต้องประสบ ก, กับความทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะมันก็ไม่ถอยหลังกันนะวันนี้เอ้เดินหน้าเรื่อยอมันเป็นงั้น <c oughs> อย่างน้อยสำหรับผู้โคเรือนอย่างนี้นะ <c oughs> เมื่อฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาขมใจที่ฟุ้งซ่านเรื่อรลอยให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไป มันก็จะไม่ไปทําความชั่วไม่ไม่จะไม่ไปเป็นนักเลงสี่ประเภทมีนักเลงเจ้าชู้เป็นต้นดังกล่าวมานั้นน่ะอืมนั่ก็จะได้ตั้งน้าทำมาหาเรี่ยงชีพในทางสุจริตอ่มีนาก็จะปรับปรุงนาให้มันดีให้มันได้มากได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีสวนมีไร่ก็จะปรับปรุงสวนไร่นั้นให้ดีให้เจริญขึ้นไป ผู้ทำราชการงานเมืองก็จะพยายามฝึกฝนความรู้ความฉลาดให้เกิดมีในตนในหน้าที่ราชการนั้นไม่ทำงานของราชการให้เสียไปเช่นนี้แนละ้วมันก็จะเรินรุ่งเรืองไปได้สิคนเราถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็พยายามปรับปรุปรงการค้าขายของตนให้มันดีขึ้น มันรอบครอขึ้นมันก็ปรับปรุงได้แลวเมื่อใจตั้งมัน่นเมื่อมีปัญญาแล้วถ้าเป็นนักบวชเช่นนี้มันก็จะเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นในใจสามารถละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี่ได้อ่อไม่มากก็น้อยและไม่หมด ก็ให้มันเบาวางออกไปจากจิตใจนี่แล้วมันก็ได้คือว่าได้เป็นทุนแล้วนี่สำหรับที่เราจัดหมุนทำความเพียรทำลายกิเลสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเราละกิเลส่วนหยาบๆนี่ออกไปได้จากจิตใจแล้วอย่างนี้ใจก็ปลอดโปรง่งใจก็เบิกบาน ก็เห็นอั น, นิสงส์แห่งการละกิเลสในขั้นต้นนี้ได้แล้วแบบนี้มันก็มาเห็นมาพิจารณาเห็นโทษแห่งกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดอันนี้ถ้าขืนสะสมไว้นานไปมากไปมันก็จะกลายเป็นกิเลสอย่าไปเช่นนี้เราจะต้องพยายามละกิเลสอย่างกลางนี้ออกไปด้วยการทำจิตให้เป็นสมาธิ ดังกล่าวมานั่นน ะ, ะวันนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็มาเพ่งที่นาดูว่ากิเลสอันละเอียดนี่พาไม่ละมันมันก็จะเป็นสื่อให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอีกอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดอีกบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่ถึงจะเป็นกิเลสท่านละเอียดก็ตาม เมื่อละมันไม่ได้เอาไปมามันก็กลายเป็นกิเลสจาง ก, กลางอย่างงาบไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามละมันไปเรื่อยๆผกเปลี่ยนพยายามไปอยู่อย่างนั้นแล้วกิเลสอันใดที่ละมาแล้วนั้นก็ไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้นะ แล้วพยายามล ะ, ะกิเลส ท, ที่ยังละไม่ได้นั่นนะ่ะอ่ันก็เบาบางไปเรื่อยๆสิแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะบางคนกิเลสอันใดตนละมันมาแล้วเอาขกับพื้นมันคืนมาอีกข้างมันขึ้นให้มันมีกำลังมากๆขึ้นในใจอีกอเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว มันก็จะอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่สารตะกล้านั่นไงสารไปสารไปเอามันมันหลงลายมันมันยุ่งป่ะนี้เพราะมันหลงลายมันแล้วมันมันยุ่งนี่มันต้องได้ลือออกแล้วมาอมาขัดไหมนีเอาไปเอามาตนไม่รอบคอบไปหลงอีกเกิดโมโหเป็นมา ฟันทิ้งเลยเมื่อฟันทิ้งแล้ววันนี้ก็ไปหาหม่ใหม่มาจับตออีกแล้วมันเหลาตอกไหมรถตั้งต้นอยู่นั่นนะเลยไม่เมื่อไหรยังจะได้ใช้ของเหล่านั้นนะอันนี้แหละอุปมาในฉันใดก็อย่างนั้นนะอเมื่อโมคันปล่อยให้กิเลสที่ละมาแล้วนั้นให้มันกลับฟื้นคืนมาอีกอยู่นั้น มันก็ได้ตั้งเข้าใหม่เรื่อยไปเพราะนั้นเนี่ยกะนานแล้วอันนี้ไม่ทราบเมื่อไหรได้ถึงจะละกิเลสอันนั้นได้สักทีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจระมัดระวังเมื่อกิเลสอันใดที่ต น, นละมันมาแล้วนั้นระวังจิตไว้ให้ดีอย่าไปสร้างมันขึ้นมาอีก แล้วพยายามลากิเลสที่ยังเหลืออยู่ให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยๆด้วยการสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ด้วยดีโดยการสำรวมในสมาธิรักษาสมาธิไวให้ได้อย่าให้เสื่อมโดยการสำรวมในปัญญารักษาปัญญาความรู้ความฉลาดที่ตนได้บำเพ็ญ ให้เกิดมาแล้วนั้นให้มันยังโยอย่าให้มันเสือมปัญญาเนน่ะแล้วพยายามทำให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นนี้แล้วการปฏิบัติธรรมของผู้นั้นมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทีเดียวไม่มีถอยหลังดังแสดงมา